วันนี้เป็นวันอังคารที่13ตุลาคมพุทธศักราช2563เป็นวันหยุดราชการเนื่องจากเป็นวันคล้ายวันสเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชราชการที่9 ผู้มีพระคุณอย่างยิ่งต่อปวงชนชาวไทยชาวไทยที่มีความจงรักภักดีมีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่เก้าจึงได้ร่วมกันทำการบูชาพระคุณ การบูชาบุคคลที่สมควรต่อการบูชาเป็นมงคลอย่างยิ่งดังที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดไว้ในมงคลละสูตรบูชาจะ บ, บูชนิยานังเอตัมมังกรมุตตมังการได้บูชาบุคคลที่สมควรต่อการบูชา เป็นมงคลอย่างยิ่งต่อชีวิตมงคลก็คือความสุขความเจริญของจิตใจนั่นเองซึ่งเป็นความสุขความเจริญที่สำคัญก็ความสุขความเจริญของทางร่างกายของทางลาบยศสรเสริญสุขพ่อ ความสุขความเจริญทางร่างกายเป็นความสุขชั่วคราวเมื่อร่างกายถึงแก่ความตายความสุขความเจริญที่ได้ก็จะหมดไปราบยศสารเสริญสุขที่ได้ก็หมดไปแต่ความสุขความเจริญทางจิตใจ ไม่ได้หมดไปกับความตายของร่างกายเพราะใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายความสุขความเจริญของใจยังอยู่ต่อไปและให้ความสุขต่อใจผู้จากโลกนี้ไปให้ได้ขึ้นไปสู่ระดับสูงขึ้นไปตามลาดับตามกาลังของ การกระทำการปฏิบัติของแต่ละบุคคลทางพุทธศาสนาคือพระพุทธเจ้าทรงเน้นให้พวกเรามาสร้างความสุขความเจริญทางจิตใจกันอย่าไปหลงกับความสุขความเจริญทางร่างกายให้มากจนเกินไปความสุขความเจริญทางร่างกายนี้ มันเป็นของชั่วคราวและจะไม่ให้ความอิ่มความพอมีแต่จะให้ความหิวความอยากความต้องการเพิ่มขึ้นไปอยู่เรื่อยๆทำให้ไปกดดันกับจิตใจที่จะต้องคอยดิ้นรนหาราวยศสรรเสริญ หาความสุขทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายมาเสพมาสัมผัสอยู่เวลาที่ไม่ได้เสพไม่ได้สัมผัสก็จะเกิดความหดเหยียดตำคาญใจเกิดความไม่สบายอกไม่สบายใจแล้วเวลาที่สูญเสียลาบยศสารเสริญสุบไป ความทุกข์ก็จะตามมาแต่ความสุขความเจริญของจิตใจนี้ต่างกับความสุขความเจริญทางลาบยศสารเสริญสุดเป็นความสุขที่มั่นคงกว่ายั่งยืนกว่าได้มาในใจแล้วมักไม่หายไปง่ายๆและให้ความอิ่มความพอมากกว่านานกว่าความสุขที่ได้ผ่านทางร่างกาย ทางาศาสนาจึงเน้นเรื่องการสร้างความสุขความเจริญทางจิตใจ ใ, ในมงคลสูตรนี่มีถึง38วิธีสร้างความเป็นมงคลให้แก่ชีวิตฝนเริ่มโปรยมาก็คิดว่าเทวดามาอนุโมทนามาประพมน้ำมนต์ให้กับท่านทั้งหลาย ผู้ที่มีจิตเริ่มใส่ศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ mm hmm. ให้คิดว่าเป็นสงกรารเขาแล้วกัน mm hmm. เวลาสงกรารนี้เปียกมากกว่านี้ mm hmm. เปียกแฉะไปทั้งตัวยังไม่รู้สึกเดือดร้อน mm hmm. นี่เป็นเพียงน้ำที่โปรยลงมาจากสวรรค์ mm hmm. ก็ควรจะน้อมรับด้วยจิตใจที่สงบ ที่เย็นดีคิดว่าอาบน้ำก็เปียกมากกว่านี้เดี๋ยวเราก็ต้องอาบน้ำกันเปียกมากกว่านี้เราก็เปียกได้เสื้อผ้าเดี๋ยวเราก็ต้องเอาไปซักกันซักก็เปียกมากกว่านี้ถ้าลองใช้เหตุใช้ผลแล้วการตากผลนี้เป็นไม่ได้เป็นเรื่องน่ากลัวเลยเพียงแต่เรามี ความคิดที่ว่าเวลาที่เราไม่ต้องการเปียกมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าเวลามันเปียกนิดเปียกหน่อยขึ้นมาก็เป็นปัญหาขึ้นมาแต่ถ้ามองตามความเป็นจริง <c oughs> เราเปียกกันทุกวันอยู่แล้วอาบน้ำกันทุกวันเสื้อผ้าเราก็เปียก <c oughs> เราก็เอาไปซักกันอยู่เรื่อยๆดัง <c oughs> นั้นถ้าเราต้องมาเปียกเพื่อมา ศึกษาก็ทําคํคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อสร้างความสุขสร้างความเจริญสร้างความเป็นมงคลให้แก่จิตใจของพวกเราทาไมเราจะเปียกกันไม่ได้ถ้าคิดอย่างนี้แล้วจะไม่รู้สึกเดือดร้อนกับการตกของฝนลงมาเลยตา ก, ก็ปล่อยมันตกไปคิดว่าเทวดาอาบน้ํามนต์ให้เราก็ได้เป็นมงคลอย่างยิ่ง ถ้าตั้งจิตตั้งใจแน่วแน่ต่อการฟังเทศฟังธรรมแล้ว <Yeah. S 1> อะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่เป็นปัญหา <Yeah. S 1> ดังนั้นถ้าเราใช้เหตุใช้ผลทั้งหน่อยแล้ว <Yeah. S 1> ปัญหาต่างๆนี้จะลดน้อยลงไปได้มาก <Yeah. S 1> แต่ถ้าเราใช้อารมณ์ความรักความชางังความกลัวความหลงแล้ว <Yeah. S 1> อะไรนิดอะไรหน่อยก็กลายเป็นเรื่องใหญ่โตขึ้นมา yeah. นี่คือหลักของความคิดต้องคิดด้วยเหตุด้วยผลอย่าคิดด้วยอารมณ์ด้วยความรักความชังความกลัวความหลงไปกลัวอะไรมีอะไรน่ากลัวบ้างในโลกนี้ความตายน่ากลัวเหลอความเจ็บไข้ได้ป่วยความแก่น่ากลัวเหลอกลัวแล้วไปทำอะไรมันได้หรือเปล่าไปห้ามมันได้หรือเปล่า กลัวก็ต้องแก่กลัวก็ต้องเจ็บกลัวก็ต้องตายทุกไปเปล่าๆความกลัวก็คือความทุกข์ความไม่กลัวก็คือความสุขไม่กลัวความแก่ไม่กลัวความเจ็บไม่กลัวความตายเ <c oughs> วลาแก่เวลาเจ็บเวลาตายก็จะไม่เดือดร้อนไม่ทุกข์กับมันอันนี้คือการใช้ปัญญานี่แหละปัญญาคือเหตุคือผล ถ้าใช้อารมณ์ก็จะไปกับความรู้สึกรักชังกลัวหลงที่จะทําให้จิตใจของพวกเรานี้ปั่นปวน่วนวุ่นวายไม่รู้จักจบจากสิน้กนกังวลกับเรื่องนั้นกังวลกับเรื่องนี้กังวลกับสิ่งนั้นสิ่งนี้กลัวกับเรื่องนั้นกลัวกับเรื่องนี้ ตัวไปก็ไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงเรื่องราวต่างๆเรื่องราวต่างๆถึงวาระมันจะเป็นอะไรมันก็ต้องเป็นไปตามเรื่องของมันร่างกายของเรามันก็เป็นไปตามเรื่องของมันถึงเวลามันจะเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็เจ็บไข้ได้ป่วยถึงเวลามันจะตายมันก็ตายไม่มีใครห้ามมันได้แต่สิ่งที่เราห้ามได้ก็คือความทุกข์ของใจนี่ สามารถห้าไม่ให้มันเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมากระทบกับร่างกายของพวกเราก็ตาม น, นี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราคิดกันให้คิดด้วยเหตุด้วยผลให้เรามาให้ความสำคัญต่อจิตใจมาสร้างมงคลให้กับจิตใจ เพราะจิตใจของเรานี่ไม่มีวันตายจิตใจของเรานี่แหละที่จะอยู่กับเราไปตลอดถ้าเรารู้จักรักษาจิตใจของเราให้ดีให้มีแต่ความสุขความเจริญเราก็จะมีแต่ความสุขความเจริญไปตลอดเวลาถ้าเราไม่รู้จักรักษาจิตใจของเราให้มีความสุขความเจริญจิตใจของเราก็จะ ทุกไปตลอดเวลาไม่ว่าเราจะมีมากมีน้อยในทางร่างกายมีลาบมียศมีสรรเสริญมีอะไรก็ตามแต่ถ้าจิตใจไม่มีมงคลไม่มีความสุขความเจริญด้วยการกระทําที่เป็นมงคลต่างๆจิตใจของเราก็จะวุ่นวาย ไม่ว่าจะมีเงินมากน้อยสิ่งใดก็ไม่สามารถมาล้างความวุ่นวายใจได้มีตําแหน่งสูงขนาดไหนก็ไม่สามารถที่จะมาลงับความวุ่นวายใจได้ดัง <Yeah. S 1> นั้นขอให้เราให้ความสําคัญต่อการดูแลจิตใจดีกว่าการดูแลร่างกาย <Yeah. S 1> ให้เรามาปฏิบัติสิ่งที่เป็นมงคลต่อจิตใจ อย่างวันนี้เราก็ถือโอกาสในวันสาคัญของบุคคลที่เรามีความเคารพมีความรัก <Yeah. S 2> เรามาปฏิบัติบูชาและอาบิสสบูชาต่อต่อผู้มีพระคุณของพวกเรา <Yeah. S 2> ผู้มีพระคุณ น, นี้ก็มีหลายระดับหลายท่านด้วยกันระดับต่ำก็คือพ่อแม่ของเรา <Yeah. S 2> พ่อแม่ของเราเป็นผู้มีพระคุณ ต่อเราเป็นอย่างมากให้กำเนิดต่อร่างกายของพวกเราต่อมาก็ครูบาอาจารย์ผู้ที่ให้ความรู้แก่เราเพื่อเราจะได้เอาความรู้นี้มาเป็นวิชาเป็นเครื่องมือทรมาหากิ่งทางร่างกายครูบาอาจารย์ทางโรงเรียนทางมาหาวิทยาลายัยต่างๆท่านก็จะให้ความรู้ต่อเรา พอเราเรียนจบเราก็สามารถไปสมัครงานได้งานได้การทํามีเงินเดือนมีรายได้ที่ดีทำงานที่สบายไม่ต้องตากตาไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยเมื่อรักมากจนเกินไปแล้วเราก็มีครูบาอาจารย์ทางจิตใจมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ผู้ที่จะสอนให้เรารู้จักรักษาใจ ให้มีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญแล้วเราก็มีพระราชาผู้ทรงธรรมพระราชาผู้ทรงธรรมผู้ปกครองประชาชนา ด, ด้วยธรรมอย่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้ทรงตั้งสัจจะไว้วันครองราดว่าจะปกครองราชดรประเทศชาติด้วยธรรม แลวก็ได้ปฏิบัติตามที่ได้ตั้งสัจจะวาจามาตลอดระยะเวลานะที่มีพระชนชีพอยู่พรนะองค์<ม>ก็ทาให้บ้านเมืองอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขเป็นที่พึ่งของประชารชานะนะเวลาบ้านเมืองมีเหตุการณ์มีภัยอะไรต่างๆพรนะองค์ก็เป็นผู้ที่มาเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือเสมอ มาระ ง, งับเหตุการณ์ที่รุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นไม่ให้เกิดขึ้นได้ทำให้บ้านเมืองอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขมาตลอดระยะเวลาที่ได้ส่งของราชพวกเราจึงอยากจะมาตอบแทนพระคุณของท่านด้วยการกระทาบูชาสองชนิดด้วยกัน คือ 1. อามิสบูชาสองปฏิบัติบูบชาอามิสบูชาก็คือให้สิ่งที่เราน้อมถวาย <Okay. S 1> ถ้าเป็นผู้ที่มีชีวิตอยู่อย่างพ่อแม่ <Okay. S 1> เราก็น้อมเอาสิ่งที่จาเป็นต่อการครองชีพ <Okay. S 1> ปัจจัยสี่ <Okay. S 1> เช่นให้เงินทองที่สามารถเอาไป ซื้อปัจจัยสี่ในการดำรงชีพได้ mm hmm. เรียกว่าเป็นการทำบุญทำทานเรียกว่านี่คือวิวธีอามิสบูชาบูชาด้วยข้าวของเงินทองต่างๆ mm hmm. สำหรับพระเจ้าอยู่ท่านก็จากโลกนี้ไปแล้วสิ่งที่เราจะบูชาให้กับท่านได้ก็คือการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล ที่เราได้มากระทำกันในวันนี้และในหลายหลายวันที่ผ่านมาเราสามารถอุทิศบุญเหล่านี้ให้กับผู้ที่ล่วงรับไปแล้วได้เป็นการแสดงความกตัญญูกต เ, เวทีต่อบุคคลที่มีพระคุณกับเราที่ได้จากโลกนี้ไปแล้วเช่นท้าบิดามันดาปุย่าตายายครูบาอาจารย์ พระสงองค์เจ้าพระราชาผู้ทรงธรรมถ้าท่านอยู่เราก็ถวายปัจจัยสี่ให้กับท่านเป็นอามิสบูชาถ้าท่านจากโลกนี้แล้วไปแล้วเราก็ถวายราชกุศลถวายกุศลไปบุญกุศลที่เราได้ทำกันในวันนี้การบูชาแบบนี้ได้ประโยชน์ทั้งผู้ให้และผู้รับน ผู้รับก็จะได้สิ่งของที่จำเป็นถ้ายังมีชีวิตอยู่ถ้าจากไปแล้วก็จะได้บุญที่เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับผู้ที่ไม่มีร่างกายเวลาจิตใจไม่มีร่างกายจิตใจต้องใช้บุญใช้กุศลเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจให้มีความร่มเย็นเป็นสุขเวลามีร่างกายก็ต้องใช้ปัจจัยสี่ เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตร่างกายให้ร่างกายสุขสบายแล้วจิตใจก็จะได้ไม่เดือดร้อนไปกับความเดือดร้อนของทางร่างกายนี่เราเรียกว่าอามิส บ, บูชาบูชาด้วยสิ่งของสำหรับผู้ที่มีชีวิตอยู่บูชาด้วยบุญกุศลสำหรับผู้ที่ล่วงรับไปแล้ว การบูชาอมิสบูชานี้ทาแล้วก็จะทำให้เรามีความรู้สึกอิ่มเอิบใจมีความสุขใจมีความเจริญทางจิตใจเพราะการทำบุญทาทาง น, นี้เป็นการยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นจากระดับของการเป็นมนุษย์ให้เป็นเทวดาเป็นเทพ ช, ชั้นต่างๆนั่นเอง ดนั้นการบูชาด้วยอมิสบูชานี้มีคุณมีประโยชน์ทั้งกับผู้ที่ให้และผู้ที่รับการบูชาเป็นความฉลาดของพระพุทธเจ้าที่มีพยานที่สามารถเห็นประโยชน์สุขที่จะเกิดขึ้นต่อจิตใจของผู้ที่ทั้งผู้ของทั้งผู้ที่มีชีวิตอยู่และของ ผู้ที่จากโลกนี้ไปแล้วชาวพุทธเราจึงไม่เคยขาดการทําอมิสบูชาแม้ว่าบุคคลที่มีพระคุณนั้นจะมีชีวิตอยู่หรือไม่ไมไถ้ามีชีวิตอยู่เราก็ดูแลท่านเพียงดูท่านด้วยปัจจัยสี่ถ้าท่านจากโลกนี้ไปแล้วเราก็ทําบุญอุทิศ ส, ส่วนกุศลไปอยู่เรื่อยๆไม่ได้ทําเพียงเฉพาะวันนี้วันเดียว เวลาใดที่เรามีโอกาสได้ทำบุญทาทานเราสามารถอุทิศบุญกุศลให้แก่ท่านเหล่านั้นได้ทำแล้วก็ทำให้จิตใจเราสูงขึ้นมีความสุขมากขึ้นก็จะเป็นเทวดาที่สูงขึ้นไปตามลำดับยิ่งทำมากก็ยิ่งขึ้นไปสูงขึ้นเทวดานี้มีถึงหชั้นหกระดับด้วยกัน คือระดับของความสุขของจิตใจที่เกิดจากการทาบุญทำทานจากการเสียสละแบ่งปันนี้เองฉะนั้นมีท่านบางคนชอบถามว่าทำบุญอย่างไหนได้บุญมากก็ทำบุญที่มากสิทำบุญน้อยก็ได้บุญน้อยทำบุญมากก็ได้บุญมากเหมือนกินข้าวเนี่ยกินข้าวกิจชามถึงจะอิ่มหนึ่งชามก็กินข้าวสองชามนีย อย่างไหนอิ่มก็กันทําบุญก็เหมือนกันอยากจะได้บุญมากก็ทําให้มันมากทำสิบบาทก็ได้บุญสิบบาททำร้อยบาทก็ได้บุญร้อยบาทลองสังเกตดูเสียเวลาทําบุญมากทําบุญน้อยความรู้สึกอิ่มเอิบใจมันมีมากมีน้อยต่างกันไหมทาน้อยมันก็รู้สึกบางทีไม่จุใจไม่อิ่มใจต้องควาง้ากระเป๋าเพิ่มเข้าไปอีก ทำแล้วพอทำมากขึ้นมากขึ้นรู้สึกอิ่มเอิบใจขึ้นนี่แหละคือตัววัดผลบุญที่เราทากันวัดที่ใจของเรานี่แหละใจเรามีความสุขมากอิ่มมากก็แสดงว่าเราได้ทำบุญมากนี่นี่เป็นวิธีที่เราจะสร้างมงคลให้แก่ชีวิตของเราได้ระดับ ระดับแรกระดับของการทําอามิสบูชาแต่ยังมีการบูชาอีกระดับหนึ่งที่เรียกว่าปฏิบัติบูบชาชการปฏิบัติบูบชานี้จะเสริมมงคลของชีวิตให้เราได้เพิ่มมากขึ้นให้จิตใจของเราให้มีความสุขให้มีความเจริญมากขึ้นกว่าอามิสบูชาผลที่เราได้จากอามิสบูชา ทำอภิสบูชานี้เราไปได้แค่สวรรค์ชั้นเทพแต่ถ้าเราทําปฏิบัติบูชาเราไปได้ถึงระดับนิพพานเลยไปได้ตั้งแต่ระดับพรหมขึ้นไประดมพรหมที่มีรูปรูปประพรมกับอรูปประพรมจากอารูปประพรมก็ขึ้นไปสู่ระดับอริยบุคคลระดับของพระโสดาบันพระสกิฎาคามี พระ อ, อนาคามีพออาาระอรหันต์ถ้าเราต้องการที่จะยกระดับจิตใจสร้างมงคลที่สูงกว่าที่ได้จากการกระทําอามิสบูชาเราก็ต้องทําปฏิบัติบูบชาถ้าเราได้ปฏิบัติบูชาแล้วใจของเราก็จะขึ้นสูงกว่าระดับของเทพจากเทพก็จะไปเป็น รูปปภูมิอยากรูปปภูมก็จะไปสู่อรูปปภูมไปสู่ระดับพระอริยะบุคคลขั้นต่างๆจนในที่สุดก็ไปสู่พระนิพพานแดนอนกเกษมสันแดนที่มีแต่ความสุขที่ถาวรแดนที่ไม่มีความทุกข์เข้ามาเบียดเบียนจิตใจต่อไป้าเกิดขึ้นได้ก็ เกิดจากการปฏิบัติบูบชานี้เองดังนั้นพอเราได้ทรอมมิสบูชาแล้วถ้าเราต้องการที่จะให้จิตใจของเรามีมงคลเพิ่มมากขึ้น mm hmm. มีความสุขมีความเจริญเพิ่มมากขึ้น mm hmm. เราก็ต้องทำการปฏิบัติบูบชากัน mm hmm. การปฏิบัติบูชานี่แหละเป็นการบูชาที่พระพุทธเจ้า ส่งยกย่องว่าเป็นการบูชาที่แท้จริงเป็นการบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ผู้ใดปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมผู้นั้นแหะคือผู้บูชาเราตถาคตพระพุทธเจ้าทรงตัดสิ่งไม่มีอะไรที่พระพุทธเจ้าทรงปรารถนาที่จะได้จากพวกเรานอกจากเห็นพวกเราได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิด ตอนนี้พวกเราอาจจะไม่รู้กันว่าตอนนี้พวกเรายัางเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏอยู่ในตายภพเนี่ย <Yeah. S 1> ถ้าเราเพียงแต่ทำอาิสบูชาเนี่ย <Yeah. S 1> พอตายไปดวงวิญญาณของเราก็า จ, จะไปอยู่สวรรค์เป็นเทวดากันแล้วหลังจากบุญที่ได้ส่งให้เราไปเป็นเทวดาหมดกำลังลง เราก็จะเลื่อนลงมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่มาอยู่แบบที่เราทำกันเป็นกันอยู่ในขณะนี้ใหม่ล้วก็ต้องมาเจอกับความทุกข์ต่างๆอย่างที่พวกเรากำลังเจอกันอยู่ในขณะนี้ทุกข์กับเรื่องนั้นทุกข์กับเรื่องนี้ทุกข์กับคนนั้นทุกข์กับสิ่งคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ทุกข์กับเหตุการณ์นั้นเหตุการณ์นี้มีเรื่องให้ทุกข์อยู่แทบทุกวันมีเรื่องให้กังวลเรื่อง หวาดกลัวให้เราต้องคอยทุกกันอยู่เรื่อยๆแล้วเดี๋ยวก็ยังต้องมาเจอทุกข์ที่เกิดกับความแก่ทุกข์ที่เกิดกับความเจ็บทุกข์ที่เกิดจากความตายทุกข์ที่เกิดจากการพลาดพากจากกันนี่เป็นผลที่จะเกิดทุกครั้งที่เรามาเกิดกันเมื่อมาเกิดแล้วต้องเจอความทุกข์กันทุกคน ไม่ว่าจะเกิดสูงเกิดต่ำเกิดรวยเกิดจนเกิดฉลาดหรือเกิดโง่เกิดดีหรือเกิดชั่วก็ตามไม่มีใครพ้นจากการพบกับความทุกข์ไม่ได้จะพ้นจากความทุกข์ได้ก็มีทางเดียวเท่านั้นคือการไม่กลับมาเกิดอีกต่อไปการไม่กลับมาเกิดก็ต้องปฏิบัติบูชา ปฏิบัติให้ไปจนถึงขั้นพระนิพพานให้ได้เมื่อถึงขั้นพระนิพพานแล้วจิตก็จะไม่มีวันที่จะต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปเมื่อไม่เกิดก็ไม่มีความแก่ไม่มีความเจ็บไม่มีความตายไม่มีการพัดพากจากกันอีกต่อไปพระพุทธเจ้าซึ่งตรงตรัสว่าทุกย่อมไม่มีต่อผู้ไม่เกิดเท่านั้นถ้าตราบใดยังมีการเกิดอยู่ ตามนั้นยังต้องมีความทุกข์อยู่นี่คือเป้าหมายของการสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้พวกเราปฏิบัติบูชากันเพราะว่าเป็นสิ่งที่พวกเราทํากันได้ทุกคนและก็เป็นสิ่งที่นานๆจะมีคนรู้จักวิธีมาบอกพวกเรากันสักครั้งนึง น า, นานจะมีพระพุทธเจ้ามาตัดสรุวิธีการหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดสักครั้งหนึ่ง <Yeah. S 1> แล้วก็มาสอนพวกที่ไม่รู้ให้ได้รู้วิธีปฏิบัติยกระดับจิตใจให้ออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ <Yeah. S 1> ต้องมีพระพุทธเจ้ามาตัดสรลวเท่านั้น <Yeah. S 1> ถึงจะมีความสามารถที่จะ ยกจิตใจของตนให้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัดสรูรนี้ไม่มีใครที่จะสามารถรู้ได้ด้วยตนเองมีเพียงคนเดียวที่นานๆจะโผล่ขึ้นมาสักครั้งหนึ่งปรากฏขึ้นมาสักครั้งหนึ่งก็คือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าในยุค ข, ของพวกเรานี้ก็คือเจ้าชายสิทธัตถะนี่ เจ้าชายสิทธัตถะผู้ที่ได้สร้างบุญบารมีต่างๆมาอย่างโชคชนจนถึงวาระสุดท้ายของการสร้างบารมีมคือการได้มาเกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะและหลังจากที่ได้พบกับเทวทูตทั้งสี่คือคนแก่คนเจ็บคนตายและนักบวชพระองค์ก็มี ปัญญาปรากฏขึ้นมาในใจทันทีมีสิ่งที่มาปลุกให้เตืนจากความหลงกับการอยู่ในโลกนี้ให้เห็นว่าโลกนี้เป็นโลกของความทุกข์และจะต้องหาวิธีที่จะหลุดออกจากโลกนี้ไปให้ได้องค์ ก, ก็เลยได้เสด็จออกบวชและหลังจากที่ได้ ปฏิบัติได้ศึกษาปฏิบัติทมอยู่หกปีด้วยกันก็ได้พบกับการหลุดพ้นจากความทุกข์อย่างสิ้นเชิงในเบื้องต้นก็ไปศึกษากับครูบาอาจารย์ต่างๆก่อนครูบาอาจารย์ต่างๆก็สอนวิธีดับทุกข์ได้แบบชั่วคราว <S <S คือการทำใจให้สงบให้เข้าไปในสมาธิให้เข้าไปอยู่ในฌานขั้นต่างๆ เวลาจิตอยู่ในสมาธิอยู่ในความสงบความทุกข์ต่างๆก็จะหายไปชั่วคราวแต่พอถอนออกจากสมาธิมาความทุกข์ต่างๆก็จะหวนกลับคืนขึ้นมาอีกพระพุทธเจ้าจึงไม่มีความพอพระทัยต่อการดับทุกข์แบบชั่วคราวนี้มีความปรารถนาที่อยากจะดับความทุกข์อย่างถาวร ก็เลยต้องไปค้นคว้าด้วยพระ อ, องค์เองมีการทดลองผิดทดลองถูกจนในที่สุดก็พบทางสายกลางทางที่จะนำจิตใจให้ออกจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้อย่างถาวรทางสายกลางนี้พระ อ, องค์ก็ดำเนินมาได้ครึ่งทางคือถึงขั้นสมาธิแต่ขาดขั้นปัญญา ที่จะทำให้ความทุกข์ต่างๆนี้หายไปหมดอย่างถาวรสมาธินี้ดับความทุกข์ได้แบบชั่วครั้งชั่วคราวท่านเปรียบเทียบเหมือนกับหินทับหญ้าเวลาเราเอาหญ้าไปทับหินเอาหินไปทับหญ้าหญ้าก็งอกงามขึ้นมาไม่ได้ <c oughs> ก็เหมือนกับว่าหญ้ามันตายไป <c oughs> แต่พอเรายกหินออกไปปล่อยทิ้งไว้สักระยะหนึ่ง พอหญ้าได้ดินได้น้ำได้ได้แดดหญ้าก็จะงอกงามขึ้นมาใหม่เพราะว่ารากของหญ้าไม่ได้รับการถอดถอนออกจากดินนั่นเองอันใดต้นเหตุของความทุกข์คือกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาต่างๆที่ฝังอยู่ในใจเหมือนต้นหญ้านี้ก็เหมือนกันเวลาทำจิตใจให้สงบสมาธิก็จะกดกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาไม่ให จเจริญ ง, งอกงามขึ้นมาไม่ให้แสดงผลแต่พอออกจากสมาธิมากิเลสตัณหาที่ถูกกดเอาไว้ก็จะกลับปรากฏขึ้นมาใหม่ฉะนั้นถ้าต้องการที่จะถอดถอนกิเลสตัณหาโมหะอาวิชชาให้หมดไปจากใจต้องถอนรากโคนของกิเลสตัณหาด้วยปัญญาปัญญาที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสรู้ก็คืออริยสัจสี และตายรักอนิจจังทุกขังอนัตตาอริยาาสัจสี่กับตายรักนี้เป็นเหมือนบวกเหมือนเหมือนห่วงสองห่วงติดกันในตายรักก็มีทุกขมีอริยสัจสี่ในอริยาาสัจสี่ก็มีทุกทุ ก, กเพราะว่าเกิดความเกิดจากการมีความอยากอยากในสิ่งที่เป็นอนิจจังเป็นอนิอนัตตา อยากให้สิ่งที่เป็นอนิจจังอนัตตาเป็นเป็นนิจจังเป็นอัตตาเช่นพวกเราเวลาได้อะไรมาเนี่ยเราอยากจะให้อยู่กับเราไปเรื่อยๆเป็นของเราไปเรื่อยอันนี้เป็นความอยากที่ไม่ตรงกับความจริงเพราะว่าเราอยากให้ส really ิ่งที่เป็นอนิจจังเป็นนิจจังอยากให้สิ่งที่ไม่จะเป็นของเราเป็นของเรา พอสิ่งที่เป็นอนิจจังแสดงความเป็นอนิจจังขึ้นมาแสดงความเป็นอนัตตาขึ้นมาใจเราก็ทุกข์กันขึ้นมาเวลาเราสูญเสียสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบเพราะเราก็ทุกข์กันเพราะว่าเราอยากให้สิ่งที่เรารักเราชอบนี้อยู่กับเราให้ความสุขกับเราไปเรื่อยๆเป็นของเราไปเรื่อยๆแต่พอมันไม่ได้เป็นของเรา มันก็เลยทําให้เราทุกข์กนันนี่คือปัญญาที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรตวพอเอาปัญญานี้มาควบคุมใจทุกครั้งเวลาที่ใจเกิดความทุกข์ก็ใช้ปัญญานี้พิจารณาว่าทุกข์เกิดจากอะไรก็จะ ก, ก็จะเห็นว่าเกิดจากความอยากความอยากเกิดจากอะไร ความอยากก็เกิดจากการไม่เห็นว่าสิ่งที่เราอยากนั้นมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานนเอง <Yeah. S 1> พอใช้ปัญญาพิจารณาว่ามีอะไรบ้างที่ไม่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้ที่ใจเรามาสัมผัสมาครอบครองมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้น <Yeah. S 1> แล้วถ้าไปอยากให้มันเป็นนิจจังสุ ข, ขังอนัตตามันก็ต้องทุกข์เท่า น, นั้นเอง พอรู้ความจริงว่าถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องหยุดความอยากอย่อยาไปอยากให้มันเป็นนิจจังสุขขังอนัตตาปล่อยให้มันเป็นอนิจจังทุกขังอนตัตตาตามธรรมชาติของมันเราไปห้ามมันไม่ไดเนนาาา้เหมือนกับฝนฟ้าอากาศเห็นมเมื่อกี้นี้ฝนทาท่าจะตกเห็นงนี้หายไปแล้วมันเป็นอนิจจังไห ม, เ, หมเราไปเวลามันจะตกเราไปสั่งมันให้หยุดก็ไม่ได้เวลามันหยุด อยากให้มันตกก็ไม่ได้เหมือนกันมันก็เป็นไปตามเหตุตามผลของมันมันเป็นอนิจจังมันไม่ได้อยู่ภายใต้อำนาจของเรามันเป็นอนัตตาถ้าเรามองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่ใจเราไปทุกข์ด้วยว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็จะถอนความอยากในสิ่งเหล่านั้นให้หมดไปแทนที่จะไปอยากให้เขาเป็นนิจจังสุขขังอนัตตาก็ ปล่อยให้เขาเป็นไปตามเรื่องเขาจะเป็นนิจจังสุ ข, ขังอัตตาหรือไม่ก็ปล่อยเขาไปถ้าเราดูไปเรื่อยๆแล้วไม่มีอะไรที่จะเป็นนิจจังสุขขังอัตตาไปได้นานเป็นไปได้เป็นบางครั้งบา ง, บางเวลาบางช่วงแต่ถึงเวลาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องกลายเป็นอนิจจังทุกขังอัตตาขึ้นมาเช่น <Yeah. S 1> อยู่กับคนที่เรารัก <Yeah. S 1> ก็เป็นนิจจังสุขขังอัตตาไป yeah. อาจจะอยู่นิจังสุ ข, ขังอนัตตาไปห้าปีสิบปียี่สิบปีสามสิบปีเดี๋ยวพอเขาตายไปอ น, นิจังทุกขังอนัตตาก็เข้ามาทันทีความทุกข์ก็เกิดขึ้นมาในใจของเรา ท, าทันทีถ้าเราไปอยากให้มันเป็นนิจังสุขขังอนัตตาอยู่แต่ถ้าเราหมั่นพิจารณานิจังทุกขังอนัตตาอยู่เรื่อยๆสอนใจเราอยู่เรื่อยๆว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นนิจังสุขขังอนัตตา ในโลกนี้เป็นแต่อนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วต้องมาพยายามฝึกสอนจิตใจให้ปล่อยวางให้ยอมรับกับสภาพของอนิจจังทุกขังอนัตตาเวลาที่มันเกิดขึ้นมาถ้าเราสามารถสอนใจให้มีโอเบชขาได้ทำใจให้มีอุเบชขาได้ใจของเราก็จะสามารถรับกับอนิจจังทุกขังอนัตตาได้เวลาที่มันเกิดขึ้นมา พราะเราจะไม่มีความอยากให้มันเป็นนิจจังสุขขังอัตตาเวลาจิตใจมีอุเบกขานี่จิตใจจะวางเฉยจะเป็นกลางจะไม่ลักชางกลัวหลงจะไม่ได้อยากได้ไม่อยากไม่อยากได้ไม่อยากหนีไม่กลัวไม่หลงกับสิ่งต่างๆรู้ด้วยปัญญาว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังนอนอัตตา ใจก็สามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้นี่คือการตัดสู้ของพระพุทธเจ้าที่ไม่มีใครสามารถรู้ได้ด้วยตนเองต้องเป็นบุคคลระดับพระพุทธเจ้าเท่านั้นถึงจะสามารถมองเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตามองเห็นทุกข์สมุทัยนิโรธมากได้เมื่อเห็นแล้วก็สามารถที่จะ ดั ง, งั้ความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจที่เกิดขึ้นมานี้ให้หมดไปได้ทุกครั้งที่เกิดความทุกข์ขึ้นมาก็จะแก้ด้วยปัญญาไม่เหมือนพวกเราทุกครั้งที่เกิดความทุกข์นี้เราไม่ได้แก้ด้วยปัญญาเราแก้ด้วยอารมณ์ทุกเพรา ะ, ะสูญเสียคนนี้ไปเดี๋ยวก็หาคนใหม่มาแทนพอได้คนใหม่ความทุกข์ที่เกิดจากการสูญเสียคนเก่าก็หายไปเดี๋ยวคนใหม่ที่ได้มาก็ ตายไปเีกเสียเขาจากเราไปอีกก็ทุกข์อีกก็ต้องหาใหม่อยู่เรื่อยๆแล้วถ้าไปเจอจุดที่หาไม่ได้ทีนี้ก็ทุกข์นานหน่อยทุกข์ยาวหน่อยอันนี้ไม่ใช่เป็นวิธีแก้ความทุกข์วิธีแก้ความทุกข์ต้องมาแก้ที่เหตุ ข, ของความทุกข์ก็คือความอยากอยากให้แฟนเป็นนิจจังสุขขังอัตตาแต่ไม่มีแฟนคนไหนเป็นนิจจังสุ ข, ขังอัตตาเราเป็นอนิจจังทุกขขังอนัตตา เราให้เปลี่ยนกันกี่คนมันก็เหมือนกันเปลี่ยนคนนี้จากไปเดี๋ยวเปลี่ยนคนนี้ใหม่คนนี้ก็เดี๋ยวก็ต้องจากเราไปอีกหรือไม่เช่นนั้นก็มีเรื่องกันอีกทำให้เราต้องเศร้าโศกเสียใจเดือดร้อนอยู่กับเขาทุกข์กับเขา ก, ก็ต้องเลิกกันไปอีกนั้นไม่ใช่เป็นวิธีแก้ความทุกข์ใจความทุกข์ใจต้องมาแก้ที่ใจของเราแก้ด้วยสมาธิและแก้ด้วยปัญญาสองอย่าง ต้องมีสมาธิคือมีใจที่เป็นกลางที่วางเฉยได้แล้วก็แก้ด้วยปัญญาบอกใจให้รู้ว่าตอนนี้ความทุกข์เกิดจากอะไรเกิดจากความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้บุคคลนั้นบุคคล น, นี้หรืออยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นนิจจังสุขขังอัตตาพอสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ได้เป็นนิจจังสุขขังอัตตาก็อยากจะให้มันเป็นให้ได้ พออยากแล้วมันไม่เป็นก็ทุกข์ขึ้นมาถ้ารู้ว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะให้สิ่งที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามาเป็นนิจจังสุขังอนัตตาก็อยู่เฉยๆทําใจเฉยๆอย่าไปอยากท่านั้นเองหยุดความอยากก็เรียกว่าหยุดความอยากถ้าเราหยุดความอยากแล้วปล่อยให้สิ่งที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา <pues. S 1> ก็ปล่อยให้เขาเป็นไปเหมือนเมื่อกี้นี้ฝนจะตกก็ปล่อยเขาตกไป เขาไม่ตกก็ปล่อยให้เขาไม่ตกไปเราไม่ต้องไปยุ่งกับเขาใจของเราก็จะไม่วุ่นวายแต่พอเราอยากให้เขาไม่ตกพอเขาตกปับ๊บเราก็วุ่นวายขยับร่มขยับแข่งขยับขากันใหญ่เตรมหาที่หลบฝนกันใจเราก็วุ่นวายเพราะเดี๋ยวเจอคราวหน้ามันก็เจอแบบเดียวกันแก้ปัญหาแบบนี้ไม่มีแก้แบบแก้ได้แบบถาวรต้องแก้ที่ใจใจเราวุ่นวายมันเกิดจาก ความโลภความอยากของเราท่นเองแล้วเราละับความโลภความอยากคือไม่ไปทำตามความโลภความอยากได้ทำใจให้เราให้นิ่งเฉยอย่าไปทำตามความโลภความอยากเราไปความโลภความอยากมันจะหมดกาลังเวลามันหมดกาลังมันก็จะไม่มาสร้างความทุกข์ให้กับใจใจก็จะอยู่กับอนิจจังทุกขังอนัตตาได้นี่คือการตัดสรตวของพระพุทธเจ้า ที่นำเอามาสั่งสอนพวกเราให้พวกเรามาปฏิบัติบูบชากันเ <ess> บื้องต้นก็ให้ทำอามิสบูชาก่อนเพื่อน้อมจิตใจให้เข้าสู่การปฏิบัติบูชาเพราะการอามิสบูชานี้มันง่ายกว่าการปฏิบัติบูชาทำให้เราเห็นว่าการทำความดีทำ ท, ำทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าทำให้เรามีความสุขใจอิ่มใจกัน ในธรรมมิตสบูชาแล้วเราจะมีความรู้สึกสุขใจสบายใจแล้วก็จะทำให้เราเห็นคุณค่าของความสุขใจสบายใจที่เกิดจากการธรรมมิตรสบูชา<ม>ก็จะทำให้เราอยากได้ความสุขความเจริญเพิ่มมากขึ้นเราก็จะเข้าหาการปฏิบัติบูบชาต่อไป<ม>การปฏบิบัติบูชานี้ก็ต้องปฏิบัติด้วยศีลสมาธิและปัญญานี่เอง ศีลก็ต้องเป็นศีลของนักบวชศีลของอของอมิสบูชานี้ไม่พอเพียงต้องเป็นศีลของอมิสบูชาก็ศีลห้าผู้ที่จะทําอมิสบูชาก็อย่างน้อยต้องเป็นผู้มีศีลรักษาศีลห้าแล้วก็ทําบุญทำทานถึงจะเรียกว่าได้ทําอมิสบูชาแต่ถ้าอยากจะทําปฏบิบัติบูชานี้ต้องเพิ่มศีลจากศีลห้าขึ้นไป เป็นศีลแปดก็ได้ศีลสิบก็ได้ศีลสอง้อยยี่สิบเจ็ดก็ได้ยิ่งมีศีลมากข้อยิ่งทำให้การปฏิบัติสมาธิง่ายขึ้นศีลน้อยก็ทำให้ปฏิบัติยากขึ้นเพราะศีลนี้จะช่วยควบคุมใจให้เข้าสู่ความสงบแล้วจะทำให้การเข้าการใช้สมาธิดึงใจให้เข้าสู่ความสงบนี้ง่ายขึ้นกว่าการที่ไม่มีศีล ถ้าไม่มีศีลของนักบวชคือไม่มีศีลแปดเช่นเพียงแต่ถือศีลห้านี้ ใ, ใจยังไปที่นั่นที่นี่ได้ยังไปเที่ยวไปดูหนังฟังเพลงไปกินไปดื่มไปทำอะไรได้เหมือนการที่จะดึงใจที่ไปเที่ยวไปกินไปดื่มมานั่งสมาธินี้มันยากแต่ถ้ามาถือศีลแปดขึ้นไปนี้มันก็จะบังคับไม่ให้ไปกินไปดื่มไปดูไปฟังอะไรต่าง ก็จะทำให้ง่ายต่อการทำใจให้สู่ให้เข้าสู่ความสงบได้ดังนั้นในการปฏิบัติปฏบิบัติบูชาขั้นที่หนึ่งก็คือต้องรักษาศีลการรักษาศีลแปดนี้ท่านเรียกว่าเน่ยขมะการการถือเน่ยขมะเน่ยขมะนี้แปลว่าการออกจากการหาความสุขทางการอารมณ์นั่นเอง ระงับการหาความสุขจากการเสพรูปเสียงกลิ่นลดผลทพะเช่นศีนข้อสามก็ห้ามไม่ให้ร่วมหลับนอนกันถ้าเป็นศีลห้ายังอนุญาตให้ร่วมหลับนอนกันได้แต่ต้องหลับนอนกับคู่คร อ, องของตนแต่ถ้าเป็นศีลแปดนี่ก็ให้ระงับการหาความสุขจากการร่วมหลับนอนกันคือข้อสามข้อห้าข้อหก็คือ ไม่ให้หาความสุขจากการรับประทานอาหารรับประทานได้แต่ให้รับประทานแบบรับประทานยารับประทานพอให้ร่างกายอยู่ได้ก็พอรับประทานคือแบบไม่ต้องจู้จี้จุกจิกไม่ต้องเลือกอาหารชนิดนั้นชนิดนี้อาหารอะไรที่รับประทานเข้าไปแล้วดับความหิวได้ก็เหมือนกับยาแก้ปวดเวลาเราปวดศีรษะเราก็หายาแก้ปวดมา เราไม่เลือกว่าต้องเป็นยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้ไม่ต้องเป็นสีนั้นสีนี้ขอให้เป็นยาที่กินเข้าไปแล้วระงับความปวดได้แล้วก็พออย่างไดอาหารนี่ก็เป็นเหมือนยาอาหารชนิดไหนก็ได้จะถูกปากไม่ถูกปากถ้ากินเข้าไปแล้วระงับความหิวได้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนี่คือการรับประทานแบบรับประทานยา ในศีลข้อหกนี้ท่านเป้าหมายก็อยู่ที่ตรงนี้ให้มียารักษาร่างกายให้ระงลับความหิวของร่างกายไปนั้นก็ไม่จาเป็นที่จะต้องกินเกินขนาดยากินเกินขนาดก็เป็นพิษเป็นภัยอาหารกินเกินขนาดก็เป็นพิษเป็นภัยต่อร่างกายร่างกายกินอาหารมากก็อะไรเกิดขึ้นก็เกิดโรคภัยไข้เจ็บตามมาต่างๆ โรคเบาหวานโรคไขมนันอุดตันโรคความดันโรคอะไรต่างๆนี้เป็นผลที่เกิดจากการรับประทานอาหารมากจนเกินไปอันนี้ผลกระทบต่อทางร่างกายแล้วก็มีผลกระทบต่อทางจิตใจต่อการปฏิบัติบูบชาคือเราต้องการที่จะนั่งสมาธิกันแต่ถ้าเรารับประทานอาหารมากเกินไปนี้เวลานั่งสมาธิมันจะง่วงนอน นั่งแล้วจะหลับจะไม่อยากนั่งจะขี้เกียจอยากจะนอนกั น, นก็รก่างกายประกอบเป็นนิวร น, นิวรณ์ก็คืออุปสรรคเนี่ยการถือศีลข้อหงนี้ก็เพื่อระงับนิวรณ์ที่เกิดจากความง่วงเหงาหาวนอนที่เป็นผลจากการรับประทานอาหารมากเกินไปดังนันถึงให้รับประทานเพียงเที่ยงวันก็พอ หรือถ้าเป็นไปได้ก็รับประทานเพียงครั้งเดียวเลยรับประทานทีเดียวให้มันเสร็จไปเลยท้องก็มีท้องเดียวไม่ต้องเวลาเติมน้ํามันเรามีถังน้ํามันถังเดียวแล้วก็เติมทีเดียวให้มันเต็มไปเลยเท้องเราก็เหมือนถังน้ํามันรถนี่แหละเติมมันทีเดียวทำไมต้องแบ่งเป็นสองกักด้วยอเติมเช้าหน่อยแล้วก็เติมเที่ยงหน่อยอันนั้นมันเติมเพราะความกลัวความอยากมากกว่า ถ้าเติมเพราะกินยาตเติมแบบกินยาก็ตเติมมาหนเดียวกินยาเม็ดเดียวไปเลยพร้อมกันเลยหมดเรื่องหมดราวไปนี่คือสีลข้อหมีไว้เพื่อให้เราตัดช่องทางของการมตัณหานั่นเองการหาความสุขจากการรับประทานอาหารเราเวลารับประทานอาหารปกตินี้นอกจากรับประทานเพื่อร่างกายแล้วเรารับประทานเพื่อกิเลสตัณหารเราด้วยต้องเลือกอาหารกันด้ย อ า, าอาหารชนิดนั้นอาหารชนิดนี้ต้องมีรสอย่างนั้นมีรสอย่างนี้มีสีสันอย่างนั้นสีสันอย่างนี้ต้องมีประดับประดับประดาถ้าอาหารดูแล้วไม่น่ากินก็ไม่อยากจะกินอันนี้เรียกว่ากินเพื่อกิเลสกินเพื่อก่อความทุกข์เพราะกิเลสนี้เป็นสมุทัยนั่นเองในอริยาาสัจสีเป็นสัจธรรมข้อที่สองสมุ ท, ทยัย คือต้นเหตุของความทุกข์ใจแต่เราอาจจะไม่เห็นว่ามันเป็นต้นเหตุเพราะเราเห็นกลับไปเห็นว่าทำตามความอยากแล้วมีความสุขแต่เราไม่เห็นตอนที่มันที่ทำไม่ได้จะเป็นยังไงเวลาอยากจะกินอาหารชนิดนั้นชนิดนี้แล้วไม่มีให้กินมีอาหารที่เราไม่ชอบกินขึ้นมานที่มันจะทุกข์ใจแหละแต่ถ้าเรากินอาหารชนิดไหนก็ได้เหมือนกับกินยายาจะเป็นยี่ห้อไหนก็ไม่สาคัญ อยากจะเป็นเม็ดเรียวเม็ดกลมอะจะสีเขียวสีแดงสีขาวก็วไม่สําคัญเราเพียงดาวเข้าปากแล้วกื น, กนมันเข้าไปในท้องก็พอแต่ในอาหารก็เหมือนกันกินมันเข้าไปยัดมันเข้าไปน่ยมันจะถูกปากถูกถูกใจหรือไม่ก็ไม่ต้องไปสั่งกังวลกับมันพยายามให้มันเข้าไปในท้องให้ได้เอาล้วกันอพอเข้าไปในท้องแล้วเดี๋ยวความหิวมันก็จะหายไป่ยนักปฏิบัติบางทีท่านจะ แก้ปัญหาของกิเลสตัวนี้ด้วยการคุกอาหารในบาตเนี่ยเอาอาหารทุกชนิดเข้าไปรวมกันในบาตเพราะเดี๋ยวมันต้องไปรวมกันในท้องไม่ใช่เหร อ, อก็ให้มันรวมกันในบาตก่อ น, นเล อ, อของขาวของหวานขนมน ม, นมเนยอะไรนี่ใส่มันเข้าไปในบาตแล้วคุกมันคนมันแล้วก็ยัดยัดมันเข้าไปเข้าไปให้มันเข้าไปในท้องทั้งหนึ่งอนี่ก็เรื่องการกินอาหารก็จบกินแบบนี้ก็จะไม่กินมากด้วย พ่ามันไม่อริเอร่อยไม่มันไม่ถูกปากถูกใจแต่มันเพะมันกินเหมือนกินยารับประทานเหมือนรับประทานยาแล้วปัญหาเรื่องของนิวรณก็จะไม่มีความวุ่งเหงาเหานอนก็ไม่มีเพราะจะกินเพื่อดับความหิวนั่นเองพอรู้สึกว่าความหิวหายไปแล้วก็หยุดรับประทานแต่ถ้ารับประทานตามความอยากนี้ถึงแม้ความหิวจะหายแล้วก็ยังอร่อยอยู่ยังอยากอยู่ ยังต้องกินต่อไปกินไปยังกว่ากินไม่ลงนั่นละ่ะถึงจะหยุดนแล้วอย่างนั้นอะไรเกิดขึ้นหนังท้องก็ตึงหนังตาก็เริ่มหย่อนกินเสร็จก็หาหมอแล้วเลยแทนที่จะหาที่นั่งสมาธินั่งไม่ได้แะ้วไอเดินจงกบก็ก้าวไม่ออกไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงนี่แหละเป็นผลเสียต่อการบําเพ็ญต่อการปฏิบัติบูชาถ้าเราไม่รักษาศีลแปดกัน อยงนั้นเราต้องรักษาสินแปดข้อหกสินข้อหกนี้ก็เพื่อให้เรารับประทานอาหารพอประมาณพอดับความหิวได้ก็พอแล้วถ้ายังมีความอยากเข้ามาแทรกอยู่ก็ดัดดันดานความอยากด้วยการคุกมันไปเลยมันอยากอย่างไหนใส่มันเข้าไปเลยอยากอย่างนี้ใส่เข้าไปอยากอย่างนี้ใส่เข้าไปรวมกันเดี๋ยวมันก็จะไปรวมกันอยู่ในท้องอยู่ดีไม่ใช่หรอก็ให้มันรวมกันในบาตในจานก่อนก็ได้ แล้วทีนี้มันจะไม่อยากกินแล้วเพราะเห็นมันเห็นเห็นหน้าตาของมันเหมือนข้าวสูนักอย่างนี้มานีแต่ผู้ปฏิบัติเพื่อลังอับความทุกนี้ท่านไม่ไม่ไม่ลังเกียจอาหารแบบนี้ท่านดีใจท่านพอใจเพราะทําให้ท่านไม่ต้องมากังวลกับความกิเลสตัณหาตัวจู้จี้จุกจิกเลือกอาหารชนิดนั้ น, นเลือกอาหาชนิดนี้แล้วถ้าไม่ได้กินอาหารที่ถูกใจก็กินไม่อิ่มไม่มีความรู้สึก สบายใจนี่คือสี่งข้อที่6ที่เราจําเป็นที่จะต้องรักษากันถ้าเราต้องการที่จะกระทําปฏิบัติบูบชาสี่งข้อที่7ก็คือให้เราร ง, งับเรื่องการหาความสุขทางบันเทิงมหรสพต่างๆงานต่างๆงานเลี้ยงงานสังสรรค์ภาพยนตร์โรงละครสถานที่เต้นราอะไรต่างๆให้ระ ง, งับหมด การหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้ให้หยุดไปการแต่งเนื้อแต่งตัวการเสริมสวยความงามทำเเผาทำผมอะไรต่างๆก็หยุดมันไปมันไม่จําเป็นต่อการปฏิบัติบูบชานอกจากไม่จําเป็นแล้วมันยังทำให้เสียเวลาถ้าเราไปงานเลี้ยงกันทีนี้<ม>ก็ต้องเตรียมเนื้อเตรียมตัวแต่งเนื้อแต่งตัวเต็มเผผาเต็มผมเตรียมหาเสื้อผ้าหาชุดอะไรต่างๆ ตอนนั้นก็จะไม่ได้ปฏิบัติธรรมถ้าเราไม่ได้ถือศีล8ถ้าถือศีล8เราก็ส่งการ์ดไปขอบคุณเขาแล้วก็บอกไปไม่ได้ตอนนี้กำลังถือศีลอยู่เราก็จะได้มีเวลาปฏิบัติธรรมได้นี่คือศีลข้อที่7จ็ดศีลข้อที่8ก็คือไม่ให้เรานอนมากเกินไปเพราะนอนมากเกินไปก็เอาเวลาปฏิบัติธรรมไปนอนนั่นเอง ใหนอนเท่าที่ร่างกายต้องการปกติร่างกายนี้ถ้านอนจริงๆเนี่ยสีหชั่วโมงก็พอละถ้านอนปับ๊บมันจะรู้สึกตัวขึ้นมาแต่ถ้านอนบนฟูกหนาๆบนเตียงใหญ่ๆมันสบายก็รู้สึกตัวตื่นขึ้ น, นมาแทนที่อยากจะลุกก็ขอนอนต่อมันสบายก็เลยต่ออีก 2- อสามชั่วโมงแต่ถ้านอนบนพื้นแข็งๆเนี่ยเช่นพื้นที่ญาติโยมนั่งอยู่อย่างเงี้ยลองนอนดูสิ พอร่างกายได้พักผ่อนหลับนอนตื่นขึ้นมาแล้วจะไม่อยากจะนอนต่อเพราะมันมันเจ็บนะมันมันแข็งพื้นมันแข็งมันไม่นุ่มท่านถึงห้ามไม่ให้นอนบนเตียงที่สํารานเตียงเตียงใหญ่เตียงโตนี่หมายความว่าใหญ่โตทางความสุขไม่ใช่ใหญ่โตทางขนาดบางคนก็ไปคิดว่าโอ้ยเรื่องใหญ่ๆโตๆไม่ได้ต้องเอาเตียงเล็ก เตียงนั่งถ้ามันยังเป็นเตียงสำราญอยู่ก็ไม่ได้ถ้าพูกหนาๆ น, นอนแล้วมันสบายก็ยังไม่ได้อยู่ดีคํา <Yeah. S 1> ว, ว่าใหญ่ตัวนี้หมายถึงใหญ่โตทางความสําราญท า, ทางความสุขทางกายไม่ต้องการให้หาความสุขทางกายอยากที่นั่งที่นอนที่มันสุขที่มันสบายเพราะมันจะทําทให้เกียจคร้านนั่นเองมันจะทําทให้เราไม่อยากจะปฏิบัติธรรมแต่ถ้าเราต้องนั่งต้องนอนบนที่มันแข็งมันไม่ มันไม่สบายนี้มันก็ไม่อยากจะนั่งนานไม่อยากจะนอนนานมันก็จะได้ลุกขึ้นมาเดินจงครมมาปฏิบัติธรรมหรือนั่งสมาธิต่อไปพูดถึงที่นั่งก็อยากจะพูดเรื่องเกี่ยวกับบางท่านนี้ชอบมีเบาะนั่งกันเวลานั่งสมาธิอันนี้ก็เป็นปัญหาได้ว่ามันจะติดแล้วต่อไปเวลาไม่มีเบาะนั่งมันจะนั่งไม่ได้แล้วเวลาไปไหนมา ไ, ไหนก็จะต้องคอยแบกเบาะไปด้วย มันก็จะเป็นภาระเป็นพลุงพลังลองนั่งแบบไม่มีเบาะนั่งกับพื้นนี่แหละที่ไหนก็ได้บอทะพื้นพื้นมันเรียบๆนั่งแล้วพอนั่งได้ก็นั่งไปเถิดหัดนั่งไปแบบนั้นแล้วมันสบายต่อไปจะไปนั่งที่ไหนเวลาไหนก็สะดวกสบายแต่ถ้าต้องมีเบาะมีอะไรมานั่งเนี่ยมันมันสบายแล้วบางทีมันนั่งแล้วมันจะทำให้ขาดสติพะเวลามันสบายแล้วมันมักจะทาให้เผลอสติ แต่ถ้าเวลานั่งแล้วมันไม่สบายนี้มันมันน่าจะมีสติดีกว่าเฉนั้นพยายามอย่าไปหาความสบายจากการนั่งสมาธิทางร่างกายการนั่งสมาธินี่เราไม่ต้องการความสบายทางร่างกายเราต้องการความสบายทางใจ mm hmm. คือความสงบใจจะสงบต้องมีสติ mm hmm. ต้องไปนั่งที่ที่เสริมสตินั่งบนฟูกหนาๆมันสบายเดี๋ยวล้มนอนมันนั่งมันสบาย แต่ถ้านั่งบนพื้นแข็งๆมันรู้สึกเจ็บมันก็จะบังคับให้เราต้องสร้างสติขึ้นมาสู้กับความเจ็บต้องบังคับให้เราอยู่กับพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปเพื่อที่ใจของเราจะได้ไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องของความเจ็บของทางร่างกายอันนี้มันเป็นการช่วยกระตุ้นการปฏิบัติให้เรามีสติมากขึ้นบังคับให้เราต้องสร้างสติขึ้นมาเพราใจของเรานี้จะสงบได้ต้องมีสติเท่านั้น ถ้าไม่มีสตินี้ใจของเราก็จะคิดฟุง้งซ่านคิดไปถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าใจมีความคิดอยู่ใจก็นิ่งไม่ได้นิ่งไม่ได้ใจก็เป็นสมาธิไม่ได้สงบไม่ได้ดงั้น mm. เราจาเป็นที่จะต้องมีสติให้มากๆ mm. ในการนั่งสมาธิเราต้องเจริญสติก่อนที่เรามานั่งเสียได้ซ้ำไป mm. ถ้าเราเป็นนักปฏิบัตินี้เราต้องเจริญสติตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลย พอตื่นขึ้นมานี้สิ่งแรกที่เราควรจะทําก็คือตั้งสติก่อนใจอยู่ที่ไหนตอนนี้ถามตัวเองก่อนอยู่ปัจจุบันหรืออยู่อดีตหรืออยู่อนาคตถ้าอยู่อดีตอยู่อนาคตนี้ดึงให้มันเข้ามาอยู่ปัจจุบันอยู่ที่ร่างกายของเราดูเฝ้าดูร่างกายจเจริญกายยะกตาสติก่อนกายยกตาสติก็คือการเฝ้าดูการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายหรือถ้าต้องการเปลี่ยนจากกายยสติมาเป็นพุทธานุสติก็ พอลืมตาขึ้นมาก็ใจอยู่ที่ไหนอยู่กับคิดถึงคนนั้นคิดของวันนี้หรือเปล่าคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือเปล่าถ้าคิดแสดงว่าไม่มีสติไม่มีพุทธานุสติถ้าจะมีพุทธานุสติก็ต้องพุโทโธขึ้นมาทันทีดึง <Yeah. S 1> ใจให้อยู่กับพุโทโธพุโทโธมันก็จะไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆไม่ได้ยัง <Yeah. S 1> ต้องทําตั้งแต่เริ่มต้นเลยแล้วเราจะสามารถควบคุมความคิดต่างๆได้อย่างต่อเนื่อง แล้วพอถึงเวลาที่เราจะมานั่งใจมันจะไม่คิดคิดน้อยแล้วเราสามารถคุมมันได้บังคับให้มันอยู่กับอารมณ์ที่เราต้องการได้ให้มันอยู่กับลมหายใจก็ได้ให้อยู่กับพุทธโธก็ได้หรืออยู่กับกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราที่เราถนัดก็ได้ไม่จาเป็นจะต้องอยู่ลมหรืออยู่กับพุทธโธเสมอไปบางครั้งอาจจะต้องใช้อย่างอื่นถ้ามีอุปสรรคเป็นเวลามีความโกรธก็ ดูลมก็ไม่ได้พุโทโธก็ไม่ได้ก็ต้องใช้เจริญเมตตาภาวนาไปก่อนแผ่เมตตาสเพสัตาเวลาโหนตุให้อภัยไม่จองเวรกับคนที่ทําให้เราโกรธพอเราให้อภัยเขาได้แล้วเราก็จะหายโกรธพอหายโกรธเราก็จะได้กลับมาพุโทโธต่อได้หรือดูลมหายใจต่อไปได้การนั่งสมาธิบางครั้งมันมีปัญหามาเป็นอุปสรรคมีนิวรก็ต้องแก้นิวร น, นิวรที่เรา เวลาโกรธก็ต้องใช้เมตตา <Yeah. S 1> เวลาง่วงนอนนี่ก็ต้องลุกขึ้นมาเดินก่อนนั่งไม่ได้นั่งแล้วมันจะหลับก็ลุกขึ้นมาเดินจงกรมก่อนเป็นตน้น mm hmm. หรือไปเดินไปอยู่ไปนั่งที่มันน่ากลัว mm hmm. ไปนั่งแถวป่าช้าแถวป่าตามป่าที่มีภายอันตรายรอบด้าน mm hmm. มันจะทำให้เกิดสติขึ้นมา mm hmm. ในหนังสือน้วงตาปฏิปทาท่าน ท่านเขียนว่า้าบางรูกนี้ไปนั่งที่หน้าผาเลยถ้าง่วงถ้าสปปงบก็หัวทิ่มลงเขาไปเลยแต่รับประกันได้ว่าไม่ง่วงพอไปนั่งอยู่ที่หน้าผาแล้วสติสตังมันกลับมาความง่วงมันหนีไปหมดเลยเพราะความกลัวตายมันจะกระตุ้นให้มีสติขึ้นมาเห็นบางทีต้องไปอยู่ในสถานที่ที่มันน่ากลัว พอมันน่ากลัวแล้วมันจะทำให้เราเกิดมีความระมัดระวังมีความมีสติขึ้นมาถ้าเราอยู่ในที่ปลอดภัยแล้ว ร, รู้สึกเราสึกว่าปลอดภัยเราก็เลยมีความประมาทนอนใจไม่มีความวิตกไม่มีความกลัวสติมันก็จะหายไปหรือมีก็มีน้อยกว่า <Yeah. S 1> น, นี่ในเบื้องต้นการที่จะทาใจให้เราสงบปฏบิบัติบูชาขั้นแรกคือขั้นสมาธิต้องมีสติ เมื่อมีสติอย่างต่อเ น, นื่องแล้วเดี๋ยวจิตก็รวมเข้าสู่สมาธิได้พอได้สมาธิแล้วได้อุเบกขาแล้วก็พยายามทําบ่อยๆทําให้ชํานาญทําให้มันมีอยู่เกือบตลอดเวลาอยู่ในสมาธิออกมาก็ยังมีมอุเบกขาอยู่ถ้าเรามีอุเบกขาเวลาออกจากสมาธิได้มากตอนนั้นเราก็เริ่มสามารถมาทางปัญญาได้มาพิจารณาตายรักษณ์ในสิ่งต่างๆ แล้วก็มาคอยเฝ้าดูใจของเราว่าเกิดความอยากหรือยังเกิดความอยากแล้วก็ต้องใช้ปัญญาคือใจรักมาสอนใจให้ฝืนความอยากอย่าไปทําตามความอยากเพราะการทําตามความอยากจะพาให้เราไปเจอกับความทุกข์ถ้าเรามีปัญญาเราก็จะรงับไม่ทําตามความอยากถ้าเรามีอุเบกขาเราก็จะฝืนความอยากได้อ ถ้าเราขาดอุเบกขาเริ่มรู้สึกสู้ความอยากไม่ได้เราก็ต้องกลับเข้าไปในสมาธิก่อนเนี่ยทำสองอย่างนี้สลับกันไปจเจริญปัญญาจเจริญอุเบกขาแล้วต่อไปเราก็จะสามารถสู้กับความอยากต่างๆที่มาสร้างความทุกข์ต่างๆให้กับจิตใจของเราที่มาพาให้พวกเราต้องมาเวียนว่ายตายเกิดกันก็คือความอยากต่างๆเหล่านี้เองเช่นกามาตัหาความอยากในกาม ภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นวิภาวะตัณหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นเราจะถ้าเรามีปัญญามีสมาธิพร้อมทั้งสองส่วนแล้วเราจะสามารถสู้กับความอยากต่างๆได้ความอยากต่างๆเมื่อมันเอาชนะเราไม่ได้มันก็ยอมแพ้ไปมันก็ยกธงขาวแล้วมันก็จะหายไปจากใจของเราพอหายใจใจของเราแล้วงานของเราก็สิ้นสุดลงการปฏิบัติบูชาของเราก็ หมดสิ้นลงไม่ต้องมีการไม่ต้องมีการปฏิบัติอีกต่อไปภารกิจที่เราทํานี้ได้สิ้นสุดลงแล้ววุติตังบ ร, รมจาริยังนะภารกิจในพรหมจรรย์นี้ได้สิ้นสุดลงแล้วภารกิจนี้ก็คือการดับความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากความอยากต่างๆนี้ได้ถูกกําจัดด้วยศีลสมาธิปัญญาด้วยการปฏิบัติบูชาแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ต้องมีการปฏิบัติอีกต่อไป อระุเจ้าพระอรหันต์ทุกรูปนี้ท่านไม่ต้องปฏิบัติเหมือนกับพวกเราถ้าเปรียบเหมือนกับคนที่หายจากโรคภัยไข้เจ็บแล้วไม่ต้องกินยาแนละ้วก็เรายังมีโรคภัยไข้เจ็บอยู่เรายังต้องกินยาอยู่นั้นขอให้เรามากินยากันคื อ, ป ฏ, อปฏิบัติบูชากันก่อนปฏิบัติบูชาก็อามิสสบูชากันก่อนเมื่อดำอาบิสสบูชาได้แล้วเราก็จะมีกําลังที่จะเข้าสู่การปฏิบัติบูชาได้ เมื่อได้ปฏิบัติบูชาแล้วผลอันประเสริฐที่พระพุทธเจ้าทรงปรารถนาก็จะปรากฏขึ้นมาคือวิมุตติหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้เข้าถึงพระนิพพานดานันกเกษมสันต์ต่อไป mm hmm. นี่คือเรื่องของการบูชาบุคคลที่สมควรต่อการบูชาที่ได้นำมาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรต่อเวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะาวาเรวหาปุราปริปุเรนติสากลังเอวเมวะอิโตทิน e ังเปตานังอุปกาปฏิอ an ิชิตังปะิต um ังตุมหังคิปเมวะสมิจฉะตุสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนาราโสยะามณิโชติราโสยะาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพโรโวินัสตุมาเตภวัตวันตระโยสุขีทีขายุโกภะ อาพิวาทนาสีลิสนิจังวุธาปจายโนจตารธรมมวาทานติอายุวโนโสุขังภาลังฮัลโหลช่วงต่อไปนี้เป็นช่วงถามตอบคาถามใครมีคำถามอยากจะถาม ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้หรือถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนกระดาษใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้แต่จะของัถามช่วงที่เราเลิกประชุมแล้วก็นนะจะไม่สะดวกก็จะมีการเคลื่อนไหวต่างๆตามมาะัะนั้นถ้าอยากจะถามก็เดี๋ยวถามได้เดี๋ยวรอซักปั๊บเดี๋ยวจะให้ทางทีมงานได้แจ้งผลการ รับฟังรับชมทางบ้านก่อนว่าเป็นยังไงบ้างกราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้เฟ e บุ๊กพระอาจารย์สุชาติอภิชาโตมี379ท่านค่ะเฟซบุ๊กพ่อจอสุชาติอภิชาโต85ท่านยอดรวมทางเฟ e บุ๊กวันนี้464ท่านเจ้าค่ะส่วน youtube มี228ท่าน วิทยุออนไลน์สิบท่านโซมห้าท่านผู้รับฟังหน้ากุฏิหนึ่งร้อยสิบเก้าท่านรวมเป็นแปดร้ยี่สิบหกท่านเจ้าค่ะมีท่านผู้ชายนี้อยากจะถามคำถามเนะคุณผู้ชายอสงาองเครับก็มีสองเรื่องนะครับจะเรื่องข่าวก่อนเรื่องงานตอนนี้มันก็ยังเครียดเรื่องมันก็ยังไม่หยุดเครียดนะครับที่ว่ากลัวว่าเขาจะเอาออกอะไรแบบนี้อะครับ ตอนความอยากพอยากไม่ออกก็ลกลัวจะถูกออกไปอยากมันออกอยู่อยู่ได้ก็อยู่ไม่ได้ก็ไปก็เท่านั้นแหละมันก็จะหายเครียดถ้ายังอยากอยู่พอก็เลยกังวลกลัวจะเขาจะเอาออกงั้นถ้าถ้ารู้ว่าเขาจะเอาออกก็อย่าไปอยากอยู่แล้วกันอยู่ก็ได้ไม่อยู่ก็ได้ทําใจเป็นกางพุทธเจ้าบอกฝึกทำใจให้เป็นอุเบกขา รับได้ทั้งสองอย่างฝนตกก็ได้แดดออกก็ได้เมื่อกี้ฝนตกที่นี้แดดออกก็ได้ต้องรับกับมันอย่าไปเอาอย่างได้อย่างหนึ่งแล้วเพราะถ้ามันไม่ได้อย่างนั้นแล้วมันจะทำให้เราทุกข์งั้นหัดทำใจว่ายัางไงก็ต้องออกอยู่ดีไม่ช้าก็เร็วออกเพราะเขาให้ออกหรือเพราะเราอยากออกเนยวลาเราอยากออกกับไม่เดือดร้อนใช่ไหมเวลาอยากออกจากงานได้ออกจากงานกับดีใจ พอเราไม่อยากออกจากงานพอเขาให้ออกก็ทุกข์ใจนั้นหัดทาใจให้มันดีใจไม่ดีกว่าแล้วครับแล้วเรื่องที่สองผ ม, ผมร<ถ>ู้่ากิเลสผมมันเป็นเชื้อที่ดื้อยาเร็วอะครับคือว่าอุบายเดิมๆที่เคยได้ผลแล้วพอมาใช้ในวันหลังอีกทีหนึ่งมันเหมือนกิเลสมันรู้ทันมันก็ไม่ยอมสยบต่ออุบายอันนั้นอีกแล้วนะครับก็เปลี่ยนอุบายันใหม่เลยก็ต้องพลิกมันขึ้นมาปัญญาเราต้องทันกับเหตุการณ์กลับขอบพระคุณครับ ใครมีอยากจะถามอีกไหมจะส่งไมค์ไปให้ <c oughs> ถ้าไม่มีก็เอาคำถามจากทางบ้านต่อมีคำถามจากเฟ e บุ๊กนะคะผมขอโอกาสถามพระอาจารย์นะครับผมเรียนจบปริญญาเอกเคยทำงานเป็นอาจารย์และเคยบวชวัดป่ามาเจ็ดเดือน ปัจจุบันผมนั่งสมาธิทุกวันเป็นระยะเวลาเกือบสองปีทุกวันนี้ไม่ค่อยอยากทำงานหาเงินแล้วครับอยากกลับไปบวชครับคำถามคือการที่ผมจะบวชจะเป็นการไม่ใช้ศักยภาพที่เรียนมาหรือไม่ครับอ๋อไม่ใช่ก็ไม่เห็นเสียหายตรงไหนเนี่มันไม่มีการบังคับว่าเราต้องใช้มันนี่ย เราแล้วก็เราก็จบปอตีมาวิศวกรรมเราก็ไม่ได้ใช้มันเพราะมันไม่ได้ทําให้เรามีความสุขเหมือนกับทําให้เรามีความทุกข์ไปใช้มันทําไมทํางานเครียดจะตายไปสู้ไม่ทํางานดีกว่าซูนั่งนั่งสมาธิทําใจให้สงบมันดีกว่าเยอะแยะนี่นไม่ต้องไปเสียดายกับของที่มันทําให้เราทุกข์แล้วความรู้ต่างๆทางโลกนี้มันเป็นความรู้ท่วมหัวตัวไม่รอดไม่รอดพ้นจากความทุกข์ มีเท่าไหร่มีเรียนสูงเท่าไหร่ยิ่งทุกมากขึ้นไปเท่านั้นเพราะความอยากอยากได้มากขึ้นไปะฉนั้นอย่าไปเสียดายเลยความรู้ทางโลกเรามาเริ่มทางทางลดทางธรมกันดีกว่ามาสร้างความรู้ทางธรรมเป็นความรู้ที่พาให้เราเอาตัวรอดพ้นจากความทุกข์ได้งั้นไม่เป็นการเสียหรอกเป็นการตัดสินใจที่ถูกถ้าเราเลืกิกเราไปบวชได้นี่ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูก ตามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เก่งเรียนวิชาการต่างๆทางโลกรู้มากยิ่งกว่าครูอาจารย์ที่มาสอนท่านท่านก็ยังทิ้งมันเลยเพราะท่านเห็นว่าเป็นความรู้ที่ไม่สามารถทําให้ใจท่านพ้นทุกข์ได้คําถามจากคุณรุ่งรดีรังสีกราบนรัมสการพระอาจารย์จากจังหวัดลําปางขอความเมตตาถามเจ้าค่ะ ข้อหนึ่งสติมีเฉพาะในมนุษย์ใช่ไหมเจ้าคะมีจิตทุกดวงมีสติเพียงแต่ว่ามีมากมีน้อยต่างกันทั้งนั้นเองเดรัจฉา น, นก็ต้องมีสติไม่งั้นเขาทำมาหากินไม่ได้หรอกใช่ไหมเพียงแต่ว่าเขาไม่มีสติในระดับรักษาศีลไม่มีสติในการทําทานแต่ก็มีสติในการเอาตัวเข้ารอดนแต่รอดด้วยการทําผิดศีลผิดธรรมด้วยความเห็นแก่ตัว ดัง้นตว์ทุกชนิดแม้กระทั่งผู้ที่ไปตกนรกในนรกก็มีสติแต่มีน้อยว่าไม่สามารถควบคุมอารมณ์ที่ชั่วได้จึงทําให้ไปทําสิ่งที่ชั่วต่างๆต่อไปแต่ไม่มีก็ไม่ได้มาเขาวมันจะไม่มีไปตลอดจิตทุกดวงสามารถพัฒนาได้จากจิตที่ไม่มีสติเป็นจิตที่สมบูรณ์เป็นสติเป็นจิตที่มีสติที่สมบูรณ์ได้งแต่ว่าต้องเจอคนฉลาดคอยบอกคอยสอน เหมือ น, นองคนลิมาเนี่ยนไะก็ไม่มีสติที่จะยับยั้งความการกระทําบาปเนยะกับถูกความหลงหลอกให้ว่าการกระทําบาปนี้จะทําให้วิเศษขึ้นมาไปฆ่านคนหนึ่งเกคนพอมาเจอพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าให้สติใหม่บอกว่าไอ้นี่ไม่ใช่เป็นสติที่ถูกต้องสติที่ถูกต้องต้องมาฆ่ากิเลสไม่ใช่ไปฆ่าคนฆ่าคนแล้วบาปทําให้ตกนรก ถ้าอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ต้องฆ่ากิเลสฆ่าความโลภความโกรธความหลงเนี่ยเราหยุดแล้วเธอเองไม่ยังไม่ได้หยุดนวิ <c oughs> ่งไล่ตามพระพุทธเจ้าตามฆ่าพระพุทธเจ้าวิ่งวิ่งเท่าไหร่ก็ตามไม่ทันพระพุทธเจ้ามีอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ <c oughs> ก็เลยต้องตะโกนไปบอกพระพุทธเจ้าว่าท่านหยุดเถิดผมไล่ตามท่านไม่ทันแล้ว <c oughs> พระพุทธเจ้าก็ตอบว่าเราหยุดแล้วเธอตัาหาที่ยังไม่ได้หยุดเข <c oughs> าก็งงเลยตามไม่ไม ทำไมหยุดแล้วทำไมหยุดแล้วเพราะเราผมวิ่งไม่ทันพระเจ้าบอกเราอยู่จากการฆ่าเราอยู่จากการทําบาปเราอยุดจากความโลภความโกรธความหลงพอพู้ท่านนี้ก็ได้ความได้สติกลับขืนมาก็เลยเชื่อฟังพระพุทธเจ้าทำตามที่พระเจ้าสอนให้มาฆ่ากิเลสแทนก็ได้บรรลุเป็นพระอหรหันต์ต่อไปฉะนั้นทุกคนมีสติระดับไหนนี้ อย่าไปน้อยเนื้อต่ำใจอย่าไปคิดว่าโอ๊ยเราไม่มีทางที่จะไปนิพพานได้ไม่จริงทุกคนนี่มีมีโอกาสที่จะพัฒนาจิตใจให้ขึ้นไปถึงพระ น, นิพพานได้ทุกคนถ้ามีศรัทธาความเชื่อในผู้รู้อย่างพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองเราพยายามศึกษาปฏิบัติตามตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วรับรองได้ว่าพระพุทธเจ้าวารับประการไม่เจวันก็เจเดือนไม่เจเดือนก็7ปีนี่ จะได้สติสมบูรณ์เป็นจิตเป็นสติของพระนิพพานได้สติปฐานสี่เนี่ยให้ศึกษาพระสูตรอันนี้เถิดอันนี้แหละเป็นวิธีการสร้างสติยกระดับจิตจากระดับที่เราเป็นอยู่ในขณะนี้ไปสู่ระดับของพระอริยบุคคลต่อไปคำถามต่อนะคะข้อสถ้าไม่มีสติปฏิบัติสมาธิไม่ได้ใช่ไหมเจ้าคะถูกต้องไม่มีสติมันก็หยุดความคิดไม่ได้ ความคิดนี่จะหยุดได้ก็ต้องมีสติถ้าไม่มีสติหยุดความคิดไม่ได้ถ้าความยังมีความคิดอยู่จิตก็นิ่งไม่ได้นิ่งไม่ได้ก็ไม่เป็นสมาธิไม่ได้เน้นต้องหยุดต้องมีสติหยุดความคิดให้ได้ คำถามจากหน้ากุตินะคะขณะที่พิจารณาแยกร่างกายออกเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมันแยกเร็วมากโดยเหมือนเราไม่ได้แยกเองต้องดูอย่างเดียวเป็นเพราะอะไรคะถูกต้องหรือไม่เจ้าคะ่ะ อ, อ๋อแล้วแต่ปัญญาของแต่ละคนไงเหมือนไฟไฟบางบา ง, ง, งชนิดก็ลุกรวดเร็วเชื่อมันเชื่อมันมันมันแรงก็ลุกเร็ว บางชนี้ก็ลุกช้าสติปัญญาของแต่ละคนก็มีความรวดเร็วต่างกันก็เท่านั้นเองจะเร็วจะช้าก็ไม่สําคัญขอให้มันเห็นว่ามันเป็นอนัตตาก็แล้วกันเห็นว่าร่างกายเป็นดินน้ํำลมไฟแล้วก็ไม่ไปทุกข์กับมันคือไปทุกข์กับดินน้ําลมไฟได้อย่างไรดินก็ต้องเป็นดินน้ําก็ต้องเป็นน้ําลมก็ต้องเป็นลมไฟก็ต้องเป็นไฟก็ปล่อยมันเป็นไปมันจะกลับไปเป็นดินน้ําลมไฟก็ปล่อยมันกลับไป อย่าไปทุกขกับมันเท่านั้นเองนั Look, yeah, ้นเป้าหมายอยู่ที่การดับความทุกข์ไม่ใช่อยู่ที่ว่าช้าหรือเร็วเห็นเห็นว่ามันเป็นธาตุสี่การเห็นนี้ยังเป็นเพียงเครื่องมือเท่านั้นเองเครื่องมือที่จะมาดับตันหาความอยากความอยากไม่ตายความอยากจะอยู่ไปนานๆแต่ถ้ามาเห็นว่ามันร่างกายมันเป็นเป็นดินน้ำลมไฟมันจะต้องกลับกืนสู่ดินน้าลมไฟไปไม่ช้าก็เร็วก็ต้องหยุดความอยากนี้ให้ได้เท่านั้นเอง ถ้าไม่หยุดก็จะทุกเวลาที่ร่างกายมันแยกมันแยกเป็นดินน้ำลมไฟไปค่ะคำถามต่อไปจาคุณสมเจตเอซีอุภาพงค์คำถามเรื่องวิปัสสนากรรมฐานแตกต่างจากสมถกรรมฐานอย่างไรสมรถกรรมฐานในศาสนาพุทธต่างจากสมาธิของฤาษีอย่างไรครับสาธุ สมัต ว, วิปัสสนาก็เป็นเหมือนหมอที่ทำการรักษาคนไข้ต้องผ่าตัดก่อนจะผ่าตัดต้องวางยาสลบก่อนเพราะถ้าไม่วางยาสลบคนไข้ดิ้นผ่าไม่ได้สมัตภ า, าวนาก็คือการวางยาสลบให้กับใ จ, ใ ห, ใ, จให้ใจมันนิ่งๆเฉยๆแล้วก็ผ่าตัดด้วยปัญญาว่านี่คือกิเลสความโลภความโกรธความหลง เป็นตัวที่จะทำให้เกิดความทุกข์ต้องฆ่ามันต้องตัดมันออกไปถ้าใจมีอุเบกขามีสมาธิก็สามารถตัดความโลภความโกรธความหลงออกจากใจได้เหมือนกับหมอเวลาผ่าเนื้องอกงเนื้องอกในในร่างกายมีเนื้องอกในร่างกายก่อนจะผ่าต้องบอกคนไข้ต้องยองยาสลบก่อนนะถ้าไม่สลบคุณดิ้นเราผ่าไม่ได้ เ, ไไดวเวลาคนดิ้น อันนี้ก็เหมือนใจเราก็มีเนื้อ ง, งอกอยู่ในใจเราก็คือมีกิเลสตัณหาความอยากต่างๆจะผ่าเนื้อ ง, งอกนี้ออกจากใจได้ต้องทําใจให้นิ่งก่อนต้องทําใจให้เป็นสมาธิก่อนสมถะคือการทําใจให้สงบพอใจสงบใจนิ่งแล้วที่นี้หมอก็ผ่าได้อย่างสบายไม่ต้องมาคอยสู้กับคนไข้คนไข้คอยดินอยู่เลยอันนี้ก็คือตัวอย่างเปรียบเทียบให้ฟังจะได้เห็นภาพชัดเจนว่าเป็นยังไง คำถามต่อไปจากคุณจุทาทิพย์ค่ะกราบนรรมสการค่ะพระอาจารย์เวลาเดินจงกรมใช้พุทโธเบาๆฟังเทศด้วยค่ะพยายามรู้ตัวทั้งตัวแต่สิ่งที่รู้ก็คือ เสียงที่กระทบสลับเสียงเทศสลับกายที่เคลื่อนไหวพอมีเวทนาเกิดไปรับรู้แล้วเวทนาก็หายไปบางทีหายบางทีไม่หายค่ะพยายามไม่ให้ค่ากับเวทนาถูกต้องหรือไม่คะให้ถเถอะเราเนี่คือสติแบบฟุง้งซ่านสติแบบวิ่งไปวิ่งมาแล้วต้องการสติแบบนิ่งอยู่ที่จุดเดียวจุดความคิดต่างๆ เวลาเดินให้อยู่กับเท้าไปอย่างเดียวหรือพุโทโธไปอย่างเดียวอย่าไปทำหลายหลายอย่างพร้อมๆกันอย่างนี้ไม่ใช่เป็นการฝึกสติเป็นการฝึกความคิดปรุงแต่งซึ่งมันไม่ใช่เป็นวิธีของสติสติคือการฝึกวิธีให้หยุดความคิดปรุงแต่งให้สักระวรู้ให้รู้เฉยๆให้รู้อยู่กับเรื่องเดียวจิตจะได้นิ่งจะได้ไม่ไปคิดไม่ทำงาน ถ้าเวลานั่งสมาธิจิตก็จะสงบจิตก็จะรวมได้เช่ไหะจากคุณแพตตี้นะคะรบกวนพระอาจารย์ช่วยอธิบายสภาวะตอนเข้าอัปนาสมาธิว่าเป็นอย่างไรเจ้าคะ อ, อ๋อสิบปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นหรอ mm hmm. อย่างนั้นฝึกสติไปเถิดแล้วเดี๋ยวเวลามันเข้ามั น, mm hmm. มนรู้เองนะพูดไปยังไงก็ไม่เข้าใจหลกตกหลงตกบก่ก็ไม่รู้มันตกยังไงตกจากเขวก็ไม่รู้ เวลามันสุกมันก็ไม่รู้มันสุกอย่างไรงั้นพูดไปก็เหนื่อยเปล่าๆสิบปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นช่วยสอนวิธีเปิดตาดีกว่าเนี่ยเอาใช้สติเปิดตาฝึกสติไปแล้วเดี๋ยวก็จะเห็นเองคำถามจากคุณน้ำครึ่งแก้วธรรมชาติรู้สึกว่าท่องคาบริกรรมคำว่าเข้าออกชัดเจนกว่าท่องพุทโธเวลาท่องในใจบางทีนั่งไปชักรู้สึกจิต ละเอียดขึ้นทีละนิดเดียวก็ถอนออกไปเลยไม่เคยเก้าวข้ามจากตรงนี้สักทีอยากรู้ว่าถ้านั่งต่อไปเรื่อยๆจะเป็นอย่างไรนั่งแบบไหนเนี่ยก็ไม่ได้เ่าให้ังรู้สึกว่าท่องคาบริกรรมคาว่าเข้าออกอชัดเจนกว่าท่องพุทโธเจ้าค่ ะ, ะเวลาท่องในใจบางทีนั่งไปชักรู้สึกจิตจะละเอียดขึ้น แต่ว่ารละเอียดนิดเดียวก็ถอนออกไปเลยไม่เคยเก้าวข้ามจากตรงนั้นสักทีก็อย่าหยุดท่องเลยต้องท่องต่อไปถ้าเรก้าวข้ามมันก็ต้องท่องไปเรื่อยๆอย่าเพิ่งหยุดให้จิตมันหยุดเองให้มันนิ่งสงบแล้วการบริกรรมมันจะหยุดของมันเองถ้ายังบริกรรมได้อย่าหยุดแสดงว่าจิตยังไม่นิ่งจิตยังไม่สงบคำถามจากคุณกิติพงศ์กราบนมัสการพระอาจารย์ครับ ไสยศาสตร์มีจริงไหมครับหากปฏิบัติสมาธิแล้วพบกับไสยศาสตร์หรือพูดผีจะมีวิธีปฏิบัติอย่างไรครับออที่นี่ไม่ได้สอนเรื่องนี้นก็เลยตอบไม่ได้มีไม่มีมันก็ไม่มารบกวนเราถ้าเราไม่ไปสนใจกับเขาถ้าเราปฏิบัติของเราไปเรื่องเหล่านี้เรื่องที่เขาเชื่อกันมันก็ไม่มาเกี่ยวข้องกับเรา มีคําถามจากอินบ็อกซ์มาคะเรียนถามพระอาจารย์ครับผมชื่อเล็กครับเริ่มหันมาศึกษาธรรมะและนั่งสมาธิศึกษาเองนั่งประมาณ7จถึงแเดือนระยะหลังๆนี้หลังจากเลิกนั่งแล้วรู้สึกว่าจิตตัวเองไม่ปกติครับเหมือนกลัวตกใจไม่แน่ใจว่าภาวะปกติจิตเราเป็นแบบนี้และวุ่นวายไม่คุ้นเคยกับจิตตนเองครับ ผมนั่งผิดวิธีหรือเปล่าครับก็ต้องนั่งให้มันสงบถ้าสงบแล้วเวลาออกมาจะสดชื่นจะเบิกบานมีอุเบกขาใจเป็นกลางไม่วุ่นวายนี่นั่งแบบไม่ถูกแล้วนั่งแบบไม่สงบนั่งแบบฟุ้งซ่านก็ออกมาจิตก็ฟุ้งซ่านต่อวิตกกังวลกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ต่อไปนั่งแบบนี้ไม่ถูกต้องนั่งเพื่อให้จิตสงบนิ่งให้เป็นอุเบกขาสักแต่ว่ารู้ ต้องอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งพุโทโธอย่างเดียวดูลมหายใจอย่างเดียวอย่าไปนั่งแล้วก็ปล่อยให้ดูทั่วไปร่างกายสะพางกายดูความคิดปรุงแต่งตามความคิดปรุงแต่งไปตามมันไปก็มันก็ไม่มีวันหยุดพิธีจะหยุดมันต้องใช้พุโทโธหรือใช้นมหายใจเข้าออก แล้วระหว่างนั่งบางครั้งมีอาการเหมือนกระแทกเป็นระยะๆะะพอถึงจุดหนึ่งเหมือนสิ่งแวดล้อมจะหยุดนิ่งที่ชัดคือความคิดเราครับนั่นแหละมันไม่มีพุโทโธมันมีมันก็เกิดอาการต่างๆเหล่ า, า, านี้ขึ้นมางั้นกลับมาดูลมหายใจหรือท่องพุโทโธไปอย่างเดียวอย่าไปสนใจกับอะไรต่างๆที่ปรากฏขึ้นมามีคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะ มีอาจารย์สอนธรรมซึ่งเป็นคารว่าสอนว่าการปฏิบัติธรรมตามแนวของเขาจะช่วยให้เจอเจ้ากรรมในเวรถ้าได้เจอเจ้ากรรมในเวรบางคนแล้วก็สามารถต่อรองและลดกรรมได้ต่อรองขอลดกรรมได้คำสอนอย่างนี้ถูกต้องไหมครับเจ้ากรรมในเวรไม่ต้องไปปฏิบัติธรรมเหรอเจอมันทุกวันอยู่แล้วคนที่เข้ามาก่อเรื่องกับเราก็คือเจ้ากรรมในเวรของเรา แล้ ว, วิธีที่จะต่อรองกับเขาก็ใช้ความเมตตาต่อรองกับเขาไปถามว่าอยากได้อะไรอยากได้เงินหรือเอาเงินไปแล้วเดี๋ยวก็จบเรื่องก็จบคำถามจากคุณดีเคระหว่างการนั่งสมาธิกับการทําบุญเยอะๆแบบไหนได้บุญมากกว่ากาันคะกราบนามัสการค่ะอ่ามันบุญคนละระดับนะ มันเหมือนใบประกาศระดับปถมหรืใบประกาศระดับมัธยมมันมันต่างกันมีคุณค่าราคาต่างกันดังนั้นบุญที่ได้จากการทําบุญทำทานนี้คุณค่ามันน้อยกว่า บ, บุญที่ได้จากการฝึกสมาธิคําถามจากคุณเปลมจิตชลศินป์กราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะเวลาทําบุญใส่บาทแล้ว เรากวดน้ําอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ที่ล่วงลับต่างๆพวกเขาจะได้บุญเท่ากันหรือไม่คะเพราะอาหารที่ใส่บาตรมีเพียงชุดเดียวก็แบ่งกันไปแล้วกันอยู่ที่เราว่าเราจะอุทิศให้ใครถ้าเราบอกให้สาวประสาทก็เป็นล้านตัวมาขอไอ้บุญแค่สองบาทนี้มันก็แบ่งกันไปไม่ได้ไปเท่าไหร่ถ้าถ้าอยากจะให้เขาได้เต็มที่ก็เอาคนเดียวเช่นพ่อแม่ของเรา คิดถึงพ่อแม่ก็ทําบุญให้พ่อแม่ไปก่อนไม่ต้องให้สรรัประสันหรอกเพราะว่ามันเอาไปแบ่งกันแล้วมันไม่พอกินใช่ไหมคำถามจากคุณพี่ตุม่มมาเฟียจูเนียกราบเรียนถามพระอาจารย์ครับถ้าเราเคยทําให้พ่อแม่ร้องไห้เสียน้าตาเรายังมีโอกาสได้ไปพระนิพพานหรือสวรรค์อยู่ไหมครับอ๋อมีถ้าเราไม่มีเจตนาตั้งใจทําให้เขาร้องห่มร้องไห้ แต่เขามาร้องโหมร้องไห้เองเพราะเราทำไม่ถูกใจเขาางนี้ไม่ไม่ไม่เป็นปัญหาเหมนพระพุทธเจ้าก็ทำให้พ่อร้องไห้เจ้าไปบวชองี้พ่อก็ร้องไห้ลูกก็ร้องไห้ภรรยาก็ร้องไห้ทุกคนก็ร้องไห้แต่นี่มันไม่ได้ทำจากไม่ได้เกิดจากเจตนาลมของพระพุทธเจ้าที่จะทำให้เขาร้องไห้เขาร้องไห้เพราะกิเลสของเขาเขาไม่อยากให้พระพุทธเจ้าไปท่านเอง เเอาแแบบบนนี้ล้ลวไม่ไมป็ปคำถามจากคุณจิ๊บสุรศักดิ์ศรีสกุลกราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะการไหว้เจ้าด้วยการไหว้ผลไม้ไหว้หมูเป็ดไก่สิ่งศักดิ์สิทธิ์สามารถรับรู้ได้จริงหรือเปล่าคะเป็นเหมือนเล่นละครเนี่ยคุณเล่นละครก็คุณก็ไปตั้งไว้เดี๋ยวถึงเวลาใครกินคนคนแสดงกิน บางคนเวลาไหว้ก็ไหว้เสร็จคายไปกินอ่ะก็พวกคนไหว้กินอ่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้กินที่ไหนหระถ้ามีจริงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ต้องเอาไปหมดแล้วสิใช่ไอองั้นก่อนที่คนจะไหว้คนชั่งน้ําหนักดูก่อนก็ได้ว่าของที่ไหว้ตอนนี้มีกี่กิกโลแล้วเดี๋ยวเวลาไหว้เสร็จก็ามาชั่งใหม่ดูซิว่าเหลือกี่กิโลถ้ายังเท่าเดิมก็แสดงว่าไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเอาไป มีคำถามฝากถามนะคะไม่ออกน้ำเวลาหนูตกหลุมตกบอก่อพอมันบูบแล้วมันไม่นิ่งสงบยาวไปเลยเจ้าค่ะแต่ตกใจแล้วกลับมารับรู้อารมณ์ต่างๆทุกครั้งเลยหนูต้องทาอย่างไรเจ้าค่ะก็ิต่อไปพุทโธต่อไปแต่ยัง้ไม่สงบจริงคำถามจากคุณพี่ตูมาเฟียชูเนีย ถ้าเราสวดมนต์เหมือนกับการอ่านหนังสือเราจะได้บุญหรือไม่ครับก็อยู่ที่ว่าสงบไม่สงบถ้าสงบก็ได้บุญถ้าไม่สงบก็ยังไม่ได้บุญคำถามจากคุณน้าครึ่งแก้วธรรมชาติการบวชพ้นทุกข์หรือเจ้าคะอยากทราบว่าทำไมพระในสมัยพุทธกาลบางองค์ถึงกลายร่างเป็น กลายร่างกายตัวเองให้เสือกินท่านไม่รู้สึกเจ็บปวดหรอือเจ้าคะเราก็ไม่รู้เหมือนกันต้องถามนัานดูพี่เกียรติตอบคาถามแบบนี้ตอบยังไง <c oughs> เราไม่ได้รู้ทุกเรื่องทุกอย่างนะต้องขออภัยด้วย <c oughs> มีเรื่องที่ไม่รู้ก็ต้องบอกว่าไม่รู้ <c oughs> หมดหรือยังถ้าหมดล้วก็จะได้เลิกกันเจ้าค่ะหมดแล้วเจ้ า, า <c oughs> ค่ะ ฉันก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนำมาเสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิศพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอสาธุ <c oughs> <c oughs>